เมื่อกี้เราสวดบทภาดาสุตะคาถานะสูตรเรื่องภาระนะเป็นของหนักนะก็เชื่อว่าพวกเราหลายคนก็คงซาบซึ้งในบทสวดนี้มากกว่าการที่เราสวดครั้งก่อนๆนะ ว่าเรามาเดินทางนะเดินทุดงนะต้องแบกทั้งร่างกายตัวเองนะผ่านความร้อนผ่านความไกลต้องแบกสัมภาระนะของตัวเราเองนะก็จะทราบซึ่งว่า ม, มันหนักจริงๆนะนะพอได้วางสัมภาระนะในที่พักหรือ ที่จุดหมายปลายทางล้วก็รู้สึกมันเบาขึ้นเยอะนะเราก็จะทราบซึ้งโอ้พาเรียก็าภนะาระเนาะภาระที่เราต้องแบกนะมันมันเป็นของหนักจริงๆนะมันไม่ใช่ของสนุกนะแต่แต่ถ้าเรามีรถนะเรามีคนช่วยถือเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันหนักเท่าไหร่เพราะว่ายังมีตัวช่วยนะ มีสิ่งที่บางทีพอมีตัวช่วยเราก็อาจจะไม่ได้พิจารณามากนะักว่ามันมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะแต่เราก็อยากจะให้อยากจะมีมันเพื่อเอามาใช้สอยสิ่งต่างๆเหมือนถ้าเราเดินทางแบบนี้นะักถ้าเราใช้รถเนะี่ยอ้ออันนี้ก็ก็อยากเอามาอันนี้ก็อยากเอามาเนี่ยเราก็จะสะสมสะเสบียงด้วยสะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ในชีวิตไปด้วยนะแต่พอเรามาเดินทางแบบนี้ที่ต้องถือสัมภาระตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีการพิจารณานะนการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การคิดเอานะแต่คือแบบนี้แหละการที่เราใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็เรารู้จักพิจารนาว่าอะไรเป็นสิ่งจําเป็นเนาะอะไรเป็นสิ่งไม่จําเป็นนะอะไรเป็นสิ่งที่ จำเป็นต้องมีอยู่อะไรที่ตัดเสียออกไปบ้างก็ได้อยู่นี้นคือการรู้จักพิจารณาถึงคุณค่าที่แท้จริงของของปัจจัยสี่หรือว่าปัจจัยที่เราต้องเกี่ยวข้องนะมันก็ทำให้เราโอ้อันนี้เราก็จะรู้จัก น, นี้จำเป็นไม่จำเป็นเนาะสิ่งต่างๆนั่นแหละนะมันทุกอย่างมันอยู่ที่การรู้จักพิจารานาะ คือถ้าเรารู้จักพิจารณาเราก็จะไม่ยึดติดมากนะรวมทั้งเรื่องพิธีกรรมเรื่องรูปแบบต่างๆแล้วก็อันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานะตามเขาว่ากันมาที่หลังแบเบนี้เราก็เข้าใจได้แต่ย้อนมาเรื่องของพาภารานะน์เนาะคือ เราจะรู้สึกว่ามันกระเป๋าเนะี่ยสัมภาระมันก็เป็นของหนักซึ่งเราก็วางได้นะในบางขณะนะถึงที่พักเนะ่เราก็วางมันได้แต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าขันทั้งห้าของเราเนี่ยแหละมันเป็นของหนักมันเป็นของหนักจริงๆนะการมีรูป การมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันเป็นภาระที่เราต้องต้องแบกอยู่ตลอดเวลาเลยวางไม่ได้นะหมาถึงว่าทิ้งความมีรูปไม่ได้จนกว่าจะตายไปหรือเวทนาสัญญาสังขารสังขารหรือวิญญาณมันก็เกิดขึ้นนะในชีวิตนะตั้งแต่เกิดจนตายเช่นเดียวกันนะหรือตายแล้วก็ ไปเกิดใหม่นะเพราะว่ามันยังมีเชื้ออยู่เนี่ยเออมันเป็นภาระจริงๆนะเอาง่ายๆนะพอเราแค่คิดถึงคนที่เรารักนะสมมติถ้าเขาตายไปเนี่ยมันก็นำความเสียใจมาสู่คนใกล้เคียงนะโอ้การมีรูปนะมันก็เป็นภาระของตัวเองแล้วนะแต่รูปนี้เองก็ยัง ส่งผลเกิดความทุกข์นะต่อผู้อื่นต่อนะแม้ตอนอยู่นะถ้าทำไม่ดีต่อกันก็ส่งผลความทุกข์ต่อกันแม้ตอนตายไปแล้วนะก็ยังส่งผลต่อความทุกข์นะต่อคนอื่นเช่นเดียวกันเนาะมีรูปเนี่ยมันก็มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะมีรูปเองก็ต้องรักษามันให้ เวลามันหิวก็ต้องรักษาบรรเทาความหิวเวลามันเมื่อยก็ต้องบรรเทาความเมื่อยเวลาแก่เวลาเจ็บนะก็ต้องดูแลรักษาเยอะแยะมากมายสุดท้ายพอใกล้จะตายคนหนายคนก็ไม่อยากให้เราตายก็ต้องรักษาก็ต้องดูแลกันเยอะแยะมากภาระของรูปนี่มัน มันหนักนะหนาสาหัสเหมือนกันนะโดยเฉพาะสมัยนี้โอ้เราเราห่วงรูป ก, กันมากนะห่วงรูปเราพยายามรักษาลูกกันอย่างมากมายนะใจจริงถ้าเราจะพิจารณาจริงอ้อทำอย่างไดเราถึงจะใช้รูปนะให้เกิดประโยชน์ในทางฝึกฝนจิตใจเนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าคนทางโลกส่วนใหญ่ เราห่วงรูปห่วงรูปรักษารูปเพื่อจะได้เอารูปมาสนองสนองความต้องการนะสนองกิเลสตัณหาเนะ่อายุยืนยืนร่างกายแข็งแรงนะจะได้ไปกินไปเที่ยวนะจะได้ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานให้ได้นานๆอ่นียอันนี้คนทางโลกเขาคิดอย่างงั้นแต่ถ้าเรานะใในทางธรรมะนะ เ, ออเราก็รักษารูป เพื่อเราจะได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนานๆ น, นะจะได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยมันต่างกันนะใช้รูปเหมือนกันนะแต่อย่างหนึ่งเขาใช้รูปในทางสนองความสนุกสนานความเพลิดเพลินแต่อีกอย่างหนึ่งเราใช้รูปเพื่อขัดเกล็กิเลสเพื่อยกจิตใจให้สูงขึ้น เหมือนอย่างเราเดินธุดงอย่างนะี้เราก็ใช้รูปนะเพื่อเพื่อฝึกฝนนะขันติความอดทนอดกั้นให้ให้มากขึ้นนะใช้รูปเพื่อนในการเออได้รู้จักว่าพิจารณาว่าอะไรเหมาะสมกับร่างกายนี้นะอะไรเป็นสิ่งจําเป็นไม่จําเป็นนะใช้รูปเพื่อนในการฝึกฝนศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญาให้มีมากขึ้นเนะี่ย นแบบนี้ดีนะนะแม้ร่างกายเองก็เป็นภาระนะรูปเองก็เป็นภาระแต่เราก็ใช้รูปเพื่อให้พัฒนาจิตให้สูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีงามนะนะนามธรรมเองก็เหมือนกันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองมันก็มันก็เกิดขึ้นนะ เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะวิญญาณมันเป็นมันเป็นช่องทางในการรับรู้ต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันมันเป็นช่องในการเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามานะสู่จิตใจให้เกิดนะสัญญาเวทนาหลังคารปุงแต่งต่างๆขึ้นมา เราปิดช่องในการรับรู้ไม่ได้นะแต่สิ่งสาคัญคือเราจะรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราได้อย่างไรนะไม่งั้นนะบางทีภาระทางใจนี่บางทีมันหนักนะมันหนักนะความโกรธความเกลียดนะความไม่พอใจนี่บางทีมันก็หนักนะหนักมากความอยากได้นะมันก็หนักนะ ถ้าจะว่าเป็นจริงเนเชื้อของความหนักนในทางใจก็คือปัญหาน่เองนะความอยากกามัตัญหานะความอยากในการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีภาวะตัญหาความอยากในการอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาก็ดี วิภาวะตัณหานะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาก็ดีนะอันนี้คือเหตุให้เกิดเป็นความทุกข์ในโลกนี้นะเราก็ดูโอ้เราก็ดูนะเวลาเรามันเกิดตัณหาขึ้นในใจนะนยะความอยากจะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนยะหรือความอยากได้ความไม่อยากได้นะในสิ่งต่างๆก็ดีเนะี่ยมันทำให้เกิดเป็น ความสุขความทุกข์นะเกิดเป็นความชอบความไม่ชอบเกิดการปรุงแต่งขึ้นในใจเนะี่ยบาทีมันหนักนะหนักเดินไปก็คิดไปนะนอนไปก็คิดไปนะเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาเนะนะนี่ยเนี่ยสิ่งตรงนี้มันจริงมันหนักมากนะถ้าเราไม่รู้จะเท่าทันมันมันจะปล่อยวางไม่ได้ ภาระทางสิ่งของต่างๆเนาะบางทีเรายัางวางได้ง่ายเมื่อมันหนักเกินไปร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็ปล่อยมันก็วางนะหรือพอมันเหนื่อยมากๆมันก็หาที่พักของมันแต่ใจเราเองนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีสติเนะี่ยมันจะวางไม่ได้เลยนะลองสังเกตดูนะถ้าเรามีสติเมื่อไรเนาะมันก็วางวางอารมณ์ได้นะ วางได้ขณะหนึ่งถ้าเรามีสติได้ขณะดนะเราก็วางอารมณ์ได้หลายขณะขึ้ น, นเรื่อยๆนะถ้าเราจะถ้าเรามีเครื่องมือตอนนัวนี้เราจะ ร, รู้จักวางอารมณ์ของเราได้บ่อยมากขึ้นมันจะเห็นเลยว่ามันมีช่วงที่วางกับช่วงที่ยึดนะมันอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคย ว่าเป็นสุภาติดนะต้องบอกอืทุกมีเพราะยึดนะทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหลุดทุกหยุดเพราะปล่อยนะมันถ้าจะเอาตัวต้นกับตัวท้ายก็ได้นะทุกมีเพราะยึดจริงๆนะพอเราไปยึดเนะ่ะหรือเราถือปุ๊บเนี่ยมันมีขึ้นมาเลยตัวตัวท้ายต้องบอกทุกหลุดเพราะปล่อยอ๋อ ถ้าจะว่าเป็นจริงนันะมีแต่การยึดถือขึ้นมากับการปล่อยวางนะในจิตนะมันเวลาเราไปเราถืออารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์พอเราปล่อยอารมณ์ออกไปมันก็ไม่ทุกข์นะเออมันจริงจริงมันก็มีแค่นี้นะมีแต่ยึดกับปล่อยนะหรือถ้าแบบพาาระศาสดาหลวงพ่อคำเคียนท่าบอกมีแต่มีแต่รู้กับปรงเนาะ ถ้าเราหลงก็คือหลงไปยึดนั่นแหละหลงไปถือถ้าเรารู้นะรู้ทันปุ๊บสติก็จะทำหน้าที่ปล่อยของมันเองนี่นลจริงจิตใจมันก็มีแค่นี้นะมีแต่รู้กับหลงหรือมีแต่ยึดกับปล่อยนะสิ่งสำคัญเนี่ยเราจะทำไงให้มันเกิดสติขึ้นมาบ่อยๆมันจะได้เกิดสภาวะการรู้ทันนะการปล่อยวางของมันได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ อันนี้แหละจะเป็นการเรียกว่าวางภาระของหนักลงเสียได้นะอย่างน้อยก็วางไปได้สี่ส่วนจากห้าส่วนนะก็คือวางภาระทางใจนะซึ่งเราสามารถวางได้ง่ายในทุกขณะจิตถ้าเรามีสตินะแต่ภาระทางรูปเนะี่ยมันมันก็วางได้ยากนะจนกว่าเราจะตายนะ แต่ยังน้อยถ้าเราวางภาระทางใจได้เนะี่ยรูปมันก็สบายมากขึ้นหรือถ้าเราสังเกตรูปได้ดีขึ้นนะมันก็จะทำให้รูปมันก็เหนื่อยน้อยลงนะอย่าสังเกตถ้าเราเดินนะเนี่ยเราเดินถ้าบางทีเราเดินตัวงอเกินไปเนะี่ยมันก็หายใจไม่ค่อยอิ่มนะมันก็หายใจสั้นๆ น, นะมันก็เหนื่อย เราลองยืด อ, อกขึ้นนะตัวตรงขึ้นนะแล้วก็เดินมันจะปรับลมหายใจให้ยาวขึ้นนะรูปเขาก็เหนื่อยน้อยลงนะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะแต่มันก็จะรู้สึกเออมันก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะมันก็จะไม่ทุกข์มากเท่าไหร่รอันนี้คือก็อาศัยการสังเกตมาช่วยรูปด้วยก็ได้นะเวลาเราเดินถือของนะบางทีไหลก็ห่อ คอก็ตกนะอกก็ไม่ยืดนะลองดูถ้าเราถ้าเราลองยืดอกขึ้นนะยกคอขึ้นสักหน่อยนะมันก็หายใจลึกขึ้นนะรูปมันก็บันเทาได้บ้างแบบนี้นะคือรูปมันก็ต้องบันเทาเอา่ะมันก็ไม่หายทุกแต่นามะทำเนี่ยมันสามารถทําให้เราหายทุกได้เนาะอันนี้คือก็มันเป็นภาระนะที่เราต้องเกี่ยวข้องนะ ต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนตายนะนะฟาระนะในขันทั้งห้าเนี่ยที่มันเป็นตัวทุกข์นะแต่เราก็เรียนรู้นะอยู่กับเขานะอยู่กับเขาอย่างไรนะให้รูปมันทุกข์น้อยลงนะนะแล้วก็ให้นามมันไม่ทุกข์นะนะมันทุกข์เพราะเรายึดนะแต่พอมันรู้ทันแล้วมันก็ไม่ยึดมันก็ปล่อยเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้ว อันนี้คืองานที่เราต้องเกี่ยวข้องนะกับรูปกับนามนะไม่ว่าเราจะเดินทุดดงก็ดีนะหรือเราไม่ได้เดินทุดดงก็ดีนะมันก็ยังมีภาระของรูปของนามที่เราต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะอันนี้คืองานหลักที่ที่เราจําเป็นต้องทํานะเราอาศัยรูปอาศัยนามเพื่อเนะี่ยเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะอืม ชีวิตในชาตินี้เราก็จะได้รู้สึกว่ามันไม่สูญเปล่านะที่อย่างน้อยเราก็ได้เกิดมานะได้พบทางธรรมะนะเราก็เราก็ได้พยายามหมั่นฝึกฝนมีความเพียรในการเดินตามนะทางที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้นะนะตอนนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็ตั้งใจแล้วเนาะตั้งใจ มาดำบากกายนะมาฝึกฝนใจของเราให้ให้สูงขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนานะก็ขอให้ได้ตั้งใจฝึกฝนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะฝากไว้ครับ